การที่ญาติโยมมาวัดกันมาทําบุญทําทานมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นการมาสร้างบารมีการสร้างบารมีทําไมเราจึงต้องสร้างบารมีกันก็เพราะว่าบารมีเป็นเหมือนน้ํามันรถยนต์ ทำไมรถยนต์จะต้องไปจอดแวะตามสถานีบริการเพราะจะต้องไปเติมน้ำมันไปเติมน้ำต่างๆเติมน้ำเติมลมถ้ารถยนต์ขาดน้ำมันขาดน้ำขาดลมรถยนต์ก็จะมีปัญหาจะไม่สามารถไปไหนมาไหนตามความต้องการได้ทันใดใจของพวกเรา ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราพาเราไปไหนมาไหนถ้าเราอยากจะไปที่ที่เราอยากจะไปกันคือที่ที่มีความสุขเราก็ต้องมีน้ำมันมีบารมีบารมีนี้จะทำให้ใจเราไปสู่ที่สุขที่ชอบได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบ ไปสู่สุขติเวลาคนตายเรามักจะอวยพรให้ขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบสุขติที่ชอบก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นนิพพานต้องมีน้ํามันพาไปถ้าไม่เติมน้ํามันรถยนต์ไม่เติมลมไม่เติมน้ํา รถยนต์ก็จะวิ่งไม่ได้จะจะไม่สามารถไปตามสถานที่ต่างๆที่คนขับรถต้องการจะไปได้พวกเราทุกคนก็ชองต้องการความสุขกันจอไปที่ที่มีแต่ความสุขที่ไหนมีความทุกข์เราก็จะไม่ไปกันเราจะไปที่ที่มีแต่ความสุข ปัญหาของพวกเราคือเราเป็นเหมือนคนตาบอดหรือตาไม่ดีมองไม่เห็นป้ายมองไม่เห็นทางอ่านป้ายไม่ออกป้ายเขาเขียนว่าให้ไปทางสุขมักจะไปไปเห็นไปทางที่ป้ายเขาเขียนว่าให้ไปทางทุกเราก็เลยตาฝ้ามองไกลๆเห็นทุกเป็นสุขเห็นคําว่าทุกมันสะกดคล้ายๆกับสุขน ต่างกันตรงสอเสือกับทอตาหาอไปเห็นทอตาหารไปเป็นเห็นเป็นสอเสือไปอ่านป้ายทางสุขมาทางนี้เอเลี้ยวไปกันเลยอต่ที่ไหนได้อ่านป้ายผิดอ่านเห็นตัวทอตหารเป็นตัวสอเสือไปเพวกเราจึงต้องมาอาศัยคนตาดี คนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสารลกนี่ท่านเป็นคนตาดีท่านเห็นชัดเห็นป้ายชัดเจนเห็นป้ายเห็นว่าเห็นป้ายที่เขียนว่าทุกข์เห็นป้ายที่เขียนว่าสุขป้ายที่เขียนว่าทุกข์ท่านก็รู้อ๋อทิศนี้ไปไม่ได้ป้ายที่ชี้บอกสุขท่านก็รู้เห็นเห็นป้ายชัดเจนไม <abs> ่สับสน พเราตอนนี้สับสนกันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวแทนที่จะไปหาดอกบัวไปหากงจัก็กงจักมันก็บาดเราคิดว่าเป็นดอกบัวน่าเอามาเอามาประดับเอามาใส่แจกันพอไปจับดอกบัวอมันบาดเราเพราะตาเราไม่ดี ตาเราเห็นกงจากเป็นดอกบัวก็เลยเจ็บตัวกันทุกวันนี้พวกเราทุกกันก็เพราะว่าเราไปเห็นทุกว่าเป็นสุขนั้นเองอสิ่งต่างๆที่เราทุกข์ด้วยนี่มันไม่ได้มาหาเรานะเราไปหามันทั้งนั้นเลยเชื่อไหมนับตั้งแต่ร่างกายนี้เป็นสิ่งแรกที่เราไปหากันเรามาเกิดกันก็เพราะใจเราไปหาร่างกายกัน ร่างกายมันไม่ได้มาหาเรานะร่างกายมันอยู่ในท้องแม่เราเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดที่ตายจากร่างกายอันเก่าร่างกายอันเก่าที่เราเคยมีมันแก่มันเจ็บมันตายพอมันตายเราก็เลยล่องลอยอยู่ในโลกทิพยนะ์เป็นดวงวิญญาณผู้ที่แสวงหาร่างกายเพราะ เห็นป้ายเขียนว่าร wow. ่างกายนี้สุขมีร่างกายแล้วจะสุขใช่มหมเพราะมีร่างกายแล้วเราก็จะได้หาความสุขกันได้มีตาก็จะได้ดูรูปมีใครอยากจะตาบอดบ้างอยากจะตาดีกันนั่นนั้นจะได้ดูรูปดูหนังดูละครดูอะไรสวยๆงามๆเสียงก็ต้องมีหูะ ก็อยากจะฟังเสียงที่ไพเราะเพราะเพ่งถึงอยากจะมีหูมีจมูกก็อยากจะดมกลิ่นหอมๆ ม, มีลิ้นก็อยากจะสัมผัสกับรสที่อริดอร่อยรสหวานและเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มมีร่างกายก็ไว้สัมผัสกับความร้อนความเย็นของนุ่มของแข็งอะไรต่างๆ อันนี้พาให้เราไปเห็นว่าร่างกายเป็นสุขกันความอยากหาความสุขของเราโดยที่เราไม่รู้ว่าความสุขที่ทแท้จริงนั้นมันอยู่ที่ไหนไปเห็นป้ายเขียนบอกว่าร่างกายนี้เป็นสุขมีร่างกายแล้วมีความสุข จะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆอย่างที่พวกเราหากันดวงวิญญาณเราตอนที่ไม่มีร่างกายเป้าหมายแรกของการหาก็หาร่างกายก่อนพอได้ร่างกายแล้วทีนี้เราก็มีเครื่องมือแล้วทีนี้เราก็ใช้ร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันละ ่การจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้มันก็ต้องมีเงินมีทองก็เลยต้องหาเงินหาทองกันก่อนการที่จะหาเงินหาทองได้ง่ายก็ต้องมีตำแหน่งมียศ้ามีตำแหน่งสูงๆหาเงินง่ายหาเงินได้มากก็เลยต้องหายศหาตำแหน่งกันหางานทำกัน แลเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาแล้วพอมีเงินมีทองก็จะได้ไปซื้อรูปเสียงกิ่รสในรูปแบบต่างๆอยากจะดูอะไรก็จ่ายเงินเข้าไปดูได้ลงภาพยนตร์ลงละครอยากจะฟังคอนเสิร์ตของใครก็จ่ายเงินเข้าไปฟังได้นี่คือเป็นสิ่งที่เรา ต้องหากันในการที่เราจะได้ความสุขแล้วทำไมเราต้องมาทุกข์กับมันก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เราไม่รู้ว่ามีร่างกายแล้วต้องทุกข์กับร่างกายทุกขหลายรูปแบบด้วยกันทุกขด้วยการเลี้ยงดูกันใ มันร่างกายนี้มันจะคอยโวยวายอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวปวดท้องก็ต้องโวยวายให้เข้าห้องน้ําเอเดี๋ยวท้องหิวก็โวยวายเดี๋ยวหิวข้าวก็โวยวายหิวน้วําก็โวยวายเดี๋ยวหนาวเกินไปก็โวยวายร้อนเกินไปก็โวยวายมีสารพัดเรื่องเกี่ยวกับร่างกายให้เราต้องมา ทุกข์กับมันไหนจะมีภัยต่างๆมาคอยทำลายมันอีกภัยทางธรรมชาติภัยทางาวิ ช, ชาชีพคนที่ไม่ดีคนที่จะมาทำลายเราทำร้ายเราแล้วก็ภัยจากเชื้อโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ คนนั้นคนนี้ช่วงนี้เป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะช่วงนี้โรคไข้หวัดใหญ่แพร่หลายใครไม่มีร่างกายก็ไม่มีโรคใช่ไหมพอมีร่างกายก็ต้องมีโรคพราเชื้อโรคมันชอบร่างกายมันชอบมาสายร่างกายอยู่กันพอมาสายร่างกายอยู่มันก็มากัดกินร่างกายทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานขึ้นมา เราผู้ที่มามายึดมาครอบครองร่างกายก็เลยต้องทุกกับมันเพราะเราไม่สามารถจะใช้ร่างกายที่เจ็บไข้ได้วปวดป่วยพาเราไปหาความสุขได้เราก็เลยต้องไปเข้าโรงพยาบาลเข้าไปหาหมอหายาเพื่อให้หมอรักษาพยาบาลให้นี่แหละคือความทุกข์ของร่างกายมีร่างกาย เห็นกัน kind ช of, ัดๆอยู่เนี่ยพูดให้ฟังอย่างนี้เชื่อไหมเดี๋ยวตายไปก็อยากจะกลับไปมีร่างกายอันใหม่เพราะมันจะเห็นแส่วนที่เป็นสุขเห็นว่าโอ้ยมีร่างกายแล้วจะได้ไปเที่ยวมีร่างกายจะได้มีแฟนมีร่างกายจะได้ไปทำอะไรต่างๆที่อยากจะทำอยากจะเล่นฟุตบอลอยากจะตีเทนนิสอยากจะเล่นโยคะ อยากจะกินอยากจะดืม่มอยากจะดูอยากจะฟังอะไรมันต้องมีร่างกายเนะี่ยแถ้าเราไม่มองเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นี่ยเราก็จะไปหาร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้มันตายไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่อันนี้คือปัญหาของพวกเราพวกเรามองไม่เห็นทุกข์ในร่างกาย มองเห็นสุขในร่างกายก็เลยอยากมีร่างกายเพราะมันหาความสุขได้ไม่ไม่เถียงไม่ปฏิเสธแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่มันหาได้นอกจากสุขแล้วมันไปเจอทุกข์ด้วยทั้งท ง, ท, ง, ท, งที่ไม่อยากจะหามมันมาพร้อมกับสุขนั่นแหละมันมาเป็นคู่กันสุขกับทุกขน์นี่มันมาคู่กันเป็นเหมือนสามีภรรยา เห็นไหมสามีภรรยาเวลาไปไหนเขามักจะไม่ไปด้วยกันเขาไม่แยกกันไปไปที่ไหนเห็นสามีเดี๋ยวก็ต้องเห็นภรรยาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าได้สุขแล้วเดี๋ยวก็จะต้องได้ทุกข์ตามมาเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานี้มันหมดได้เหมือนน้ามันรถเนี่ย พอน้ำมันรถหมดนี่สุกไหมขับรถไปอยู่ดีๆก็จอดเหยียบคันเร่งยังไงก็ไม่วิ่งแล้วน้ำมันหมดทุกข์ไหมตอนนั้นต้องเดินแล้วเนี่ยต้องไปตามช่างอต้องไปซื้อน้ำมันมาเติมอันนี้แหละคือสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรามันเป็นเหมือนน้ำมันรถเนี่ยได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไป ทำมันไม่หมดก็ดีสินะแต้วน้ำมันหนเดียวแล้วไม่ต้องเติมอีกโอ้สบายขับรถไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ต้องคอยดูเกวัดว่าตอนนี้น้ำมันหมดไหมยังขับไปได้เรื่อยๆต่อไปอาจจะมีน้ำมันแบบนี้นะก็ว่ามีน้ำมันไฮโดรเจนเนี่ยอไฮโดรเจนติมทีนี้ว่าใช้ได้เป็นปีหรือ Nuclear, นิวเคลียร์ถ้าเอานิวเคลียร์มาใส่รถยนต์ได้เนี่ยพลังงานนิวเคลียร์ สายไปทีนึงใช้ได้เป็นสิบปียี่สิบปีก่อจะหมดแนวมนุษย์ก็พยายามหาน้ํามันแบบนี้กันหาความสุขที่จีรังถาวรกันแต่หายังไงก็ยังไม่เจอไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นหาดูแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับพวกเราอย่างจีรังถาวรเป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้น เป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปพอมันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์กันเพราะเราอยู่ปราศจากความสุขไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่มันไม่มีอะไรมาทำให้เราทุกข์เราทุกข์กันเองทุกข์เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดใช่ั้มคนที่ติดยาเสพติดนี้ต้องมียาเสพติดให้เสพอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุข พอไม่มียาเสพปั๊บนี่ทุกขึ้นมาเลยแต่คนที่ไม่ติดยากลับไม่ทุกข์ใช่ไหมคนที่ไม่ติดยาไม่มียาเสพติดก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ติดยาเสพติดพอไม่มียาเสพติดเรทุกข์คนที่ไม่ติดกับความสุขที่พวกเราติดกันเขาก็ไม่ทุกข์เวลาไม่มีความสุขเขาไม่ทุกข์ แต่พวกเราทุ ก, กันเพราะพวกเราต้องมีความสุขกันต้องมีความสุขจากรูปเสียงเกล็นรนสต่างๆ่าต้องมีความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้พอขาดมันปั๊บนี่เหมือนขาดลมหายใจจะตายให้ได้คนสูบบุหรีติดบุหรีพอไม่มีบุหรีสูบนี่งดเกงียนําคานใจ ตันที่เติดสลายามเมาพอไม่มีสุราเสพไม่มีสุราดื่มวุ่นวายใจนี่คือความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันจะพ้นพิษใส่เร า, เ ว, าเวลาที่มันมันหมดไปเวลาที่มันมีมันก็พ้นแต่ความสุขให้กับเราน้ำมันรถเวลามีน้ำมันรถนี่ขับไปไหนมาไหนได้โอ้สนุกเพิดเพลิน พอน้ำมันหมดปั๊บทีนี้ปวดหัวลว <c oughs> นี่แหละคือความสุขต่างๆที่เราหากันมันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปถ้าหมดเราเติมได้ก็ไม่มีปัญหาพอน้ำมันหมดก็รู้ว่าใกล้จะหมดแล้วเห็นปั๊บก็แวะก่อนดีกว่าเติมน้ำมันก่อนพอเติมแล้วก็ทีนี้ก็สบาย ขับไปก่อนเดี๋ยวใกล้ๆหมดค่อยมาว่ากันใหม่แต่ต้องคอยเติมอยู่เลยถ้าขาดเมื่อไหรมีปัญหาตามมาทันทีไม่ว่าจะเป็นน้ามันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราใช้กันอยู่เป็นประจาที่เราอาศัยมันให้ความสุขกับเราเนี่ยถ้ามันขาดไปเมื่อไหรมันเป็นปัญหาขึ้นมาลองไฟดับดูสิลองกรุงเทพไฟดับสักยี่สิบสี่ชั่วโมง หือน้ำป่ปาไม่ไหลสักยี่สิบสี่ชั่วโมงดนือวุ่นกันไหมแต่บนเขานี่ไม่วุ่นบนเขานี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำปปาใช้าไม่วุ่นเขาไม่อาศัยน้ําปปากันบนที่นี่ก็ไม่อาศัยน้ําป่ปาก็าไม่อาศัยไฟฟ้าเขาอยู่ได้ออันนี้ละ่ะคือปัญหาของพวกเราความทุกข์ของพวกเรา อยู่ที่เราไปหามันเองคือไปหามันเป็นเหมือนยาเสพติดไงถ้าเราไม่ไปเสพยาเสพติดยาเสพติดก็จะไม่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ของเราจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาไม่มียาเสพติดเสพเราก็ไม่เดือดร้อนคนที่ไม่เสพยาเสพติดมีก็ไม่เสพเสพไปทำไมไม่รู้จะเสพไปทำไมแล้วไปเสพมันทำไม ก็โง่ไงมีคนหลอกว่าดีวิเศษเนี่ยพวกเด็กที่เสพ ย, ยาเสพติดกันมักจะเสพเพราะว่าเพื่อนบอกให้ดีเสพแล้วสบายใจเหมือนขึ้นสวรรค์เวลาไม่สบายใจเสพยาเสพติดแล้วสบายอความไม่สบายใจหายไปหมดแต่มันหายช่วคราวหายช่วงที่ฤทธยายังออกฤทธ์อยู่พอฤทธิ์ยาหมดปั๊บ มันก็กลับมาเจอความทุกข์ที่ที่หนีไปเจอปัญหาที่หนีไป น, นี่คือเรื่องของความทุกข์ของพวกเราอย่าไปโทษใครโทษความโง่อของเราโทษความตาบอดหรือตามัวของเราอ่านป้ายผิดจนเห็นป้ายที่เขียนว่าทุกข์ว่าเป็นสุขกันอย่างโบราณก็ว่า เห็นกงจักเป็นดอกบัวดอกบัวมันสวยใช่ไหมใครก็อยากจะไปเก็บมาใส่แกะแจกันแต่มันเป็นกงจักอมันเป็นของของแหลมคมของเหมือนใบมีดโกนมันแหลมมันพอไปจับมันเข้ามันก็บาดมือเลือดออกไหลซิบออกมาเออ ปัญหาของพวกเราทุกวันนี้เกิดจากตาบอดตามัวตาบวดตาบอ ด, ต า, บอดตามัวทางใจไม่ใช่ทางตาไม่ใช่ทางร่างกายร่างกายเห็นทุกอย่างแต่ใจไปเห็นว่ามันเป็นสุขแต่ความจริงมันเป็นทุกข์อันนี้จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี้ต้องเห็นด้วยปัญญาเพราะว่า ถ้าไม่เห็นด้วยปัญญามันจะเห็นแต่ส่วนที่เป็นสุขอส่วนที่เป็นสุขนี่มันเห็นง่าย <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรสวยพอได้มาก็ดีใจมีความสุขเห็นเสื้อสวยเห็นกระเป๋าสวยเห็นรองเท้าสวยเนพอได้มาดีใจไหมโอ้ยดีใจเอวันใครให้ของขวัญสวยๆงามๆนี่ดีใจ เห็นรถสปอร์ต เ, เ, เ, เห็นรถเอร์เช่ยังงี้โอ้ใครให้มาเนี่ยโอ้ดีใจเห็นรถเบน์เห็นรถอะไรพอได้มาแล้วดีอกดีใจแต่ไม่คิดว่าต่อไปจะทำยังไงต้องจ่ายค่าน้ำมันนะต้องหาที่จอดให้มันนะต้องจ่ายค่าประกันนะต้องจ่ายค่าเข้าบำรุงซ่อมบารุงเนี่ย อญยยาติโยมบางคนชอบถวายรถยนต์ให้พระไม่ดูว่าพระไม่มีเงินทองขับรถไม่ได้พอพระได้รถนี้ปวดหัวแล้วเลยถ้าจะใช้รถเนี่ยต้องหาเงินมาเซอร์วิสมันนะต้องหาเงินมาเติมน้ำมันให้มันต้องไปจ้างคนขับรถมาขับขับเองไม่ได้ต้องไปทําที่จอดรถ ถ้าเป็นพลาจริงๆท่านไม่รับหรอกแต่ถ้ามันเป็นพลาปลอมนี่ท่านชอบท่านชอบแม้กระทั่งเครื่องบินยังเอาเลยแต่ท่านเป็นพลาจริงนั่นมันว่าจะไปทําไมเอาไปแล้วมันเป็นพาละมีแต่ความทุกข์ดังนั้นท่านอยู่ท่านดีๆอยู่แล้วท่านไม่ได้ไปไหนมาไหนเท่าไหร่จะไปไหนมาไหนก็มียาโยูคอยรับอยู่แล้ว สบายกว่าเนี่ยจะไปไหนบอกปั๊บเดียวนี่โอ้หมีคนเอาษาสมัครมารับไปเยอะแยะไปหมดนะแล้วเรื่องอะไรไปมีรถยนต์ให้มันปวดหัวทำไมใช่ไหมญาติโยมก็เหมือนกันสมัยนี้มีรถสาธารณะเนี่ยรถแท็กซี่รุ่นใหม่สมัยนี้ไม่ต้องวิ่งไปหามานะันละเอ ม, มีมือถือกดเรียกมันมาห้านาทีสิบนาทีก็วิ่งมาละไปมีรถจนต์ทำไม มีรถยนต์ก็ต้องไปหาที่จอดให้มันแล้วเวลาจะไปถึงที่ที่เราไปก็ต้องไปหาที่จอดรถอีกถ้าเป็นรถที่เราเช่านี่เขาส่งเราถึงหน้าสถานที่ที่เราต้องการไปไปถึงโรงพยาบาลก็ลงจากรถขึ้นบันไดเข้าไปตึกเลยถ้ามีรถเหลือต้องกลับเวียนไปอีกต้องไปหาที่จอดอีกถ้่ไม่ดีได้ที่จอดใกลก็ต้องเดินมาอีก รือไม่เช่นนั้นก็ต้องจ้างคนขับรถเองก็มีรายจ่ายนอ่ะนี่คือทุกข์ที่ไม่เห็นกันเพราะมันต้องใช้ปัญญาคิดว่าได้อันนี้มาแล้วจะต้องทุกข์กับมันอย่างไรบ้างแต่ถ้าคิดไม่เป็นก็จะคิดแต่ด้านด้านสุขอย่างเดียวโอ้ยมีรถแล้วสะดวกสบายจะไปไหนมาไหนโอ้ยสะดวกสบาย รถสวยๆงามๆใครเห็นแล้วเขาก็อิดช้าแล้ว <c oughs> เขาก็คิดว่าเราโอ้โวิเศษวิโสอยานจะคิดแบบนั้นกัน <c oughs> ถึงอยากมีรถกันอยากจะมีรถราคาแพงๆสวยๆกัน <c oughs> <c oughs> แต่ไม่คิดว่าเวลาไปจอดรถแล้วเด็กมันมือคันเอาตะปูอะไรมาขีดเส้นนิดหน่อย พอกลับมาเปิดประตูเห็นข้าโอ้ยใจนี่สุดลงไปที่เท้าโกรธก็ไม่รู้จะทำยังไงใครไม่รู้ใครมาทำถึงแม้มีประกันก็ต้องเอาเข้าไปซ่อมก็ต้องเสียเวลาเวลาซ่อมก็ไม่ได้ใช้มันอีกเห็นไหมเนี่ยสารพัด ส, สารเพลของความทุกข์ที่มันเกิดจากการมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองมีอะไรต่าง ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องพ้นพิตใส่เรา เ, ออเวลามันหายไปเวลามันเสียเวลามันจากเราไปเวลามันหมดไปออนี่เป็นสิ่งที่คนไม่ฉลาดคนตาบอดทางปัญญาจะไม่คิดกันคิดไม่เป็นกันคิดแต่ประโยชน์คิดแต่สุขที่จะได้จากสิ่งนั้นสิ่งนีออ้อยู่คนเดียวเหงาถ้ามีแฟนแล้วจะมีเพื่อนจะมีความสุขจะไม่เหงา อยู่ไปอยู่มากฐานี่เป็นเพื่อนก็เป็นคู่ต่อสู้กันตีกันทะเลอกกันเนี่ยไม่คิดกันใช่ไห ม, ไมคิดแต่ส่วนที่ดีแล้วคนที่คิดไม่ดีก็หาว่ามองโลกในแง่ร้ายสิเนียเชื่อไหมคนส่วนใหญ่เขาจะมองาศาสนาพุทธว่าเป็นาศาสนาลบไม่ใช่าศาสนาบวกชอบมองโลกในแง่ลบ แต่มั น, นมันมันแง่ลบก็จริงแต่มันเป็นความจริงอะ่ะถ้าเรามองแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นภัยกับเราเราไม่มองกันเราพยายามปิดตาเราไม่ยอมมองส่วนที่ไม่ดีไม่ยอมมองในแง่ลบเพราะเราเป็นคนสร้างสรรเราต้องเราต้องมองโลกในแง่บวกโลกนี้มันน่าอยู่ที่ไหนความจริงอะ่ะโลกนี้มันเป็นไปได้วยความทุกข์ไปหมด แเราชอบไปสร้างสารรค์กันชอบไปสร้างรีสอร์ตกันชอบไปสร้างหรงแรมสร้างอะไรกันสร้างาสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้วก็ไปหลงกับมันชั่วครั้งชั่วขราวชั้นเองแต่คนที่ต้องคอยคอยดูแลรีสอร์ตนี่มันสุขที่ไหนคนทำงานในรีสอร์ตมันสุขที่ไหนเป็นลูกจ้างเขาทำงานเด็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตาย ก็จะได้เงินทองมาสักบาทหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองโลกไม่เป็นมองความจริงไม่เป็นมองด้านเดียวถ้าจะเรียกว่าบอดสีก็ได้คนตาบอดสีนี่มักจะมองเห็นสีแดงเป็นสีเขียวเนี่ยมันขับรถไม่ได้เนี่ยขับรถเดียวพอเจอไฟแดงไม่ยอมจอด <c oughs> ก็วิ่งเมราะกี้ว่าเป็นไฟเขียว พวกเราก็เหมือนกันบอดบอดทางทุกข์ุขมองสลับกันเห็นสุขเป็นทุกข์เป็นเห็นทุกข์เป็นสุขสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ไปหาไม่เอากันสอนให้ไปอยู่คนเดียวันไม่เอาสอนให้ไปทําใจให้สงบไปฝึกสติไปฝึกสมาธิสอนให้รักษาศีล ของเรื่อนี้เป็นสุขทั้งนั้นแต่เรากลับไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเพราะมันมาขวางการหาความสุขที่เราหากันนั่นเองแต่การขวางการหาความสุขก็เป็นการขวางหาความทุกข์ดีๆนี่เองแต่พวกเราไม่รู้กันพวกเราไม่มีปัญญาที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงตรงนั้นได้เราเห็นแต่ผิวเห็นแต่เปลือกเห็นว่า สิ่งไหนที่ทำแล้วให้ความทุกข์กับเราเราก็จะไปว่ามันเป็นทุกข์ทันทีสิ่งไหนทำแล้วทำให้เรามีความสุขเราก็จะว่ามันเป็นสุขทันทีแต่เราไม่เห็นเวลาที่มันมันเจาะลึกเข้าไปจากผิวพอไปเจอเนื้อพอเจอเนื้อทีนี้จะไปเจอขมนะเหมือนยาขมเกลือน้ำตาลเนี่ยเวลาอมใหม่ๆนี่หวานชอบกัน แต่พอน้ำตาลละลายหมดแล้วนี้เจอฤิ์ขมนสขมนี้ขายทิ้งบ้วนทิ้งกันทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราได้มาใหม่ๆนี่มันหวานไม่หมดหวานเจลี้ยงเลยรถยนต์ใหม่เอี่ยมนี่เห็นแล้วโหยสวยว้บเลยขับไปขับไปเดี๋ยวมันก็เก่าลงเก่าลงไปเดี๋ยวก็เบื่อมันนะอยากจะได้ของใหม่กละแล้วยิ่งเก่าก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้น เสียตรงนั้นเสียตรงนี้ต้องมีแต่ฟักกระเป๋าจ่ายเงินซ่อมอยู่เรื่อยๆเสียเวลาเสียเวลาจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่คือเรื่องของการขาดปัญญาไม่มองให้รอบคอบไม่มองทั้งข้างบนทั้งข้างล่างทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเนี่ย เราชอบมองเห็นแต่ปัจจุบันแต่เราไม่เห็นอนาคตของมันว่ามันเป็นไงต่อไปดังนั้นต้องหัดมาฝึกปัญญาทางาศาสนาสอนให้เรามาฝึกปัญญากันสอนให้เรามองยาวอย่ามองสั้นอย่ามองแค่ช่วงจุดเริ่มต้นต้องมองช่วงกลางช่วงปลายด้วย ของทุกอย่างมันมีต้นมีกลางมีปลายถ้ามองแต่ต้นมันก็จะหลงจะไปอยากได้แล้วพอได้มาแล้วพอไปช่วงกลางช่วงปลายมันเปลี่ยนไปแล้วสิมันเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีไปแล้วเปลี่ยนจากหวานกลายเป็นขมไปแล้วต อ, อนนั้นก็มีปัญหาแล้วบางอย่างก็ กำจัดได้ก็กำจัดไปบางอย่างกำจัดไม่ได้ก็ต้องทุกอยู่กับมันไปคนที่รักกันใหม่ๆพอถึงตอนกลางเปลี่ยนไปแล้วสิจะรักกันไม่รักกันนี้เกลียดกันแล้วสิก็อยู่กันแบบเกลียดกันไปจะหย่ากันก็ไม่ยอมหยา่าก็ต้องทนอยู่กันไปหรือถ้ารักกันไป เดี๋ยวพอเขาเป็นอะไรไปก็ทุกข์อีกเดี๋ยวเขาดีไม่ดีก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาถึงกับต้อง เ, อเสียชีวิตไปคู่คู่รักคู่ครองก็เสียอกเสียใจนี่คือสิ่งที่เราไม่มองกันหรือมองไม่เห็นกัน คือความไม่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เอี่ยมสดสดร้อนร้อนเหมือนออกมาจากเตาไฟแม้แต่อาหารเวลามันออกมาจากเตาใหม่ๆก็น่ากินร้อนทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็เย็นจืดชื้นมันก็ชื้อขึ้นมากินก็ไม่อร่อยลนะไม่ว่าอะไรมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้น มันดีตอนตอน้นดีตอนใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือว่าเปลี่ยนไปเสื่อมไปความดีของมันก็หายไปความไม่ดีของมันก็โผล่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปความทุกข์ก็จะขึ้นมาแทนที่เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ดังนั้นเราเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นหมเห็นว่าไม่ว่าอะไรเป็นทุกข์ดังนั้นหนึ่งร่างกายของเรานี้ก็เป็นทุกข์ดังนั้นแต่เป็นทุกข์ที่เราต้องทนเพราะเรายัางอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกับเราอยู่มันทุกข์ก็ต้องทนกับมันไปมันหิวข้าวก็ต้องหาข้าวให้มันมากิน หิวน้ำก็ต้องหาน้ำใช่ไหมเนี่ยมีกวดน้ำติดตัวอยู่เลยเนี่ยถ่าดน้ำเมื่อไหร่นี่ก็ลำบากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าตาบได้เรายังพอที่จะทนได้เราก็ยอมทนเพื่อที่เราจะได้ใช้มันพาเราไปหาความสุขแล้วความสุขที่เราหาได้มันก็เป็นความสุขเดียวเดียวแบบควันไฟ ไปดูหนังดูละครพอออกมามันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องใหม่ดูเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกรองไปต่ออีกรงพอไม่มีดูก็ต้องรอแล้วไปดูอย่างอื่นแทนไม่มีนังดูก็ไปดูละครแทนไม่มีละครดูก็ไปดูฟุตบอลแทนไปดูตีกอล์ฟไปแข่งเทนนิสดูอะไรไปต้องหาอะไรดูอยู่เรื่อย พอใจมันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาเหมนคนติดยาเสพติดเนะถ้ามันไม่ได้เสพแล้วมันจะรู้สึกหงดเย็ดดาคาลใจนี่แหละคือความสุขที่พวกเราหากันทีนี้มันบางทีมันหลอกเราไงเพราะว่าตอนที่เรามีกําลังมีความสามารถเราก็จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่พรพอเรื่องนี้หมดก็ไปดูอีกเรื่องได้ พอความสุขจากสิ่งนี้หมดก็ไปหาความสุขจากสิ่งอื่นได้แล้วก็สลับไปวนไปเวียนมาหามันไปเบือ่อยอดูหนังเบือ่อครับก็ไปหาอะไรกินหาอะไรดื่มพอกินอะไรดื่มเบือ่อก็ไป ด, ดูไปเดินชอปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของพอเบืบ่อก็ไปทำอย่างอื่นไปขี่จักรยานไปวิ่งไปมาราธอนอะไรต่างๆ มันก็มีเรื่องให้เราเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆทำให้เร า, เาสามารถที่หาความสุขไปได้เรื่อยๆแต่มันจะมีวันที่จะสะดุดนะวันที่สะดุดก็คือเงินไม่มีอย่างนี้พอเงินไม่พอใช้ทีนี้จะไปทำนู่นทำนี่อะตามความอยากไปไม่ได้สินะทีนี้ก็ต้องเจอความทุกข์ลวหรือถ้าเงินมีแต่ร่างกายเจ็บไปไม่ได้ ร่างกายเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บน้อยก็ยังไม่เป็นไรสองสามวันเดี๋ยวก็หายเป็นไข้เป็นอะไรเดี๋ยวพักสักระยะหนึ่งเดี๋ยวหายค่อยว่ากันใหม่ถ้าไปเจอโรกระยะยาวเป็นอมภพอมาะขึ้นมานี่ทีนี้ลหละมันจะทุกยาวแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่มองกันหรือไม่กล้ามองกันเพราะว่า ถ้ามองแล้วมันทำให้เราหดหูใจทำให้เราไม่มีความสุขแต่เราไม่คิดว่าถ้ามองแล้วมันจะได้เป็นอะไรเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ว่าการหาความสุขของเราตอนนี้มันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขที่ถ้าเราไม่มีทำตามถ้าเราไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ เราจะไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าเราไม่มีเงินเงินไม่พอใช้ถ้าร่างกายสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือพิกลพิการทางใดทางหนึ่งเนี่ยไม่ว่าส่วนไหนขอพิการนิดเดียวมีปัญหาขึ้นมาพิการแขนหนึ่งก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วพิการตาขึ้นมาก็มีปัญหาพิการทางหูก็มีทั้งปัญหา พิการทางเท้าก็มีปัญหามีปัญหาเต็มไปหมดร่างกายเนี่ยเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมีใครไปสามารถไปรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นอะไรพรุ่งนี้อาจจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าอการหาความสุขของเราแบบนี้มันถ้าจะไม่ดีสำลรันะเราหน่าจะคิดหาวิธีหาความสุข แบบใหม่ดีไหมมีมีวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ไอมไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะร่างกายเดี๋ยวมันไม่มีใครไปรับประกันได้นะว่ามันจะแข็งแรงสมบูรณ์ไปตลอดเวลาเห็นคนเจ็บเห็นคนเป็นนู่นเป็นนี่กันเยอะแยะไปหมดแล้วมันจะไม่เป็นกับเราบ้างเลย ร่างกายของเขาก็เหมือนร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องเราก็ต้องถูกแจกผ่อตบ้างถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างนะแล้วพอถึงเวลานั้นแล้วเป็นไงการหาความสุขก็ถือว่าจบลงแล้วเนีทีนี้ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความเหงาความว่าเว ไม่สามารถไปหาความสุขกับคนนั้นคนนี้กับเขาได้แล้วเพื่อนฝูงไปเที่ยวที่นู่นที่นี่กันเราไปไม่ได้ซะแล้วอย่างมากสมัยนี้ก็ดูรูกที่ก็ถ่ายส่งมาให้ดูยิ่งดูก็ยิ่งเหงาใหญ่ถ้าคิดเป็นเราต้องคิดว่าเออเนี่ยความสุขที่เราหานี่มันมีเงื่อนไขมันมันจะมีปัญหาตามมาต่อไป เพราะไม่มีใครรับประกันว่าจะมีรายได้อย่างสม่ําเสมอเศรษฐกิจมันก็ขึ้นขึ้นลงลงโลกบางครั้งมันก็มีเรื่องวุ่นวายใช่ไหมปิดถนนกันเดินประท้วงกันทีนึงนี่เศรษฐกิจก็ชะงักกันนะคอยขายของได้วันละหลายพันหลายหมื่นพอเขาปิดถนนนี่ไม่มีรายได้แล้วถ้าปิดระยะสั้นๆก็ยังไม่เป็นไรถ้าปิดระยะยาวขึ้นมา หรือเกิดภาวะสงครามกลางเมืองขึ้นมาทีนี้มันก็จะมีการสะดุดนะการที่จะหาความสุขแบบที่เราเคยหากันนี้ก็จะไม่สามารถหากันได้นี่เราไม่คิดกันเราคิดว่าโลกต้องสวยงามไปตลอดเรามองโลกในแง่บวกกันโลกต้องไม่มีสงครามไม่มีสงครามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีแผ่นดินไว้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีโรคระบาดไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติภัยต่างๆโลกอันสวยงามมันเป็นโลกของความฝันมันไม่ใช่โลกของความจริงพอเราไปมองโลกของความจริงก็หาว่ามองในแง่ลรมองแบบไม่สร้างสารรค์เองความจริงมองความจริงนี่แหละเป็นมองแบบสร้างสารรค์ เพราะมันจะได้ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะปรับการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าข้างหน้ามันถนนมันขาดเรายังจะขับไปทำไมใช่ไ้นถ้ามีเขาป้ายบอกอันตรายถนนข้างหน้ามีหินถล่มลงมาไปไม่ได้ยังจะฝืนไปทำไมไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีสู้กลับรถไม่ดีกว่าเลย กลับรถไปหาถนนเส้นใหม่ที่มันวิ่งแล้วไม่มีปัญหาไม่ดีกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ถ้าเราคิดเป็นเราถ้าเราไม่กลัวเขาว่าเราคิดในแง่ลบว่าคิดไม่สร้างสรรเราคิดตามความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตของเราของร่างกายของเรามันไม่แน่นอน ของสิ่งที่เราใช้ในการหาความสุขมันก็ไม่แน่นอนและสิ่งที่เราอยากจะหามันก็ไม่แน่นอนเราไม่เคยอยู่ในยุคสงครามนี่ถามปู่ย่าตายายดูสิในยุคสงครามนี่หาของซื้อยากถึงแม้จะมีเงินก็ไม่มีของขายของหาซื้อยากหนังภาพยนตร์อะไรที่เราดูกันไม่มีหรอกไม่มีใครเวลามาผลิตภาพยนตร์กัน เอแต่หลบภัยหลบลูกระเบิดใครจะมามีเวลามาันมาถ่ายหนังใายหนังกันเเราเกิดในยุคที่มันสบายยุคที่มันสงบที่เราสามารถผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาให้เรามีความสุขกันได้เราก็อาจจะคิดว่าโลกต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ดูสิสงครามโลกมีต้องสองครั้งลแล้วแล้วนอกจากสงครามโลกก็มีสงครามกับประเทศนั้นประเทศนี้สงครามภายในประเทศมีมีสงครามอยู่ตลอดเวลาเลยมีฆ่าฟันกันเวลาเกิดสงครามกันทีนอยู่กันสบายที่ไหนอยู่กันแบบหวาดกลัว นี่แหละคือเรื่องของการมามีร่างกายเพื่อที่จะมาหาความสุขต่างๆมันจะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับเรื่องราววุ่นวายต่างๆการหาความสุขแบบใช้ร่างกายเนี่ยมันมันจะต้องเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดขั้นต้นก็ปัญหาของร่างกายเองร่างกายเกิดมาแล้วจะอยู่รอดไม่รอดก็ยังไม่รู้เห็นไหม ร่างกายบางคนเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ตายไปแล้วตายเพราะโรคบ้างตายเพราะอดตายบ้างตายเพราะพ่อแม่ทิ้งบ้างก็มีพ่อแม่ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูกก็ไปทิ้งไว้ในถังขยะนะปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมถ้าโชคดีมีคนใจบุญมาเจอเข้าก็เอาไปเลี้ยงถ้าไม่มีใครก็อดตายก็ได้ การมีร่างกายเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยอความทุกข์ต่างๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเราเคยหาความสุขแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วมีร่างกายมาไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายแล้วตามตามการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงศึกษาทรงค้นพบว่าพวกเรานี่เปลี่ยนร่างกายกันมาไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายแล้วแล้วแต่ละครั้งที่เรามีร่างกายก็มีปัญหามีความทุกข์ให้เราต้องมาเศร้าโศกเสียใจมาร้องหม่มร้องไห้อยู่ทุกครั้งไปมาเกิดแต่ละครั้งนี่มีใครบ้างไม่ร้องห่มร้องไห้กันอร้องไห้กันมาตลอดนถ้าอยากจะรู้ว่าเรามี ร่างกายนี้มากี่ล้านล้า น, านแล้วก็เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละร่าง น, นี้มารวมกันดูวยน้ําตาที่เราเคยหลั่งมานี่เชื่อแม้ว่ามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของความเศร้าโศกเสียใจที่เราพบจากการที่เราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเนี่ยอันนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาเจอกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกเราจะคิดว่าเรามีร่างกายนี่แหมแสนวิเศษมีร่างกายแล้วโอ้ยเราจะทำอะไรทำได้อยากจะมีอะไรหาได้หา เราจะไม่เคยคิดว่ามีการมีร่างกายนี้มันเป็นกองทุกข์อย่างมหันลอย่างใหญ่โตยอย่างใหญ่หลวงเราเก็บว่ากลับไปเห็นว่าเป็นเครื่องมือันวิเศษมีร่างกายแล้วโอใช่อยากจะดูอะไรก็ได้ดูอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็กินได้ดื่มได้นี่มีความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราจะมองแต่เพียงเท่านี้ เราไม่เคยมานั่งคิดถึงความทุกข์ต่างๆที่เราจะต้องอยู่กับมันที่เกิดจากการมีร่างกายอันนี้ต้องมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาเคาะหัวเราให้ตื่นขึ้นมาจากความงมงายเกิดจากความโง่เ ง, ง่าคิดไม่รอบคอบคิดเพียงแต่ด้านเดียวคิดแต่ด้านความสุขไม่คิดถึงด้านความทุกข์กัน เนี่ยต้องอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมคาสอนอาศัยพระอริยสงสาวกว่าการหาความสุขแบบใช้ร่างกายนี้มันเป็นการหาความทุกข์มากกว่าการหาความสุข้วพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมด สมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังค้นหาอยู่ก็มีคนที่รู้วิธีหาความสุขแบบไม่ใช่ร่างกายแต่ยังไม่สามารถหาแบบถาวรได้หาแบบชั่วคราวพวกฤาษีชีภัยในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชเนี่ยก็หาความสุขจากการทำใจให้สงบเขาไม่ไปหาความสุขแบบพวกเราเขาจึงไปอยู่ในป่าในเขา เพราะการจะหาความสุขอีกทางหนึ่งต้องไปอยู่ที่เงียบๆที่ห่างไกลจากความสุขแบบที่เราเคยหาที่เราหากันเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วมันอดไม่ได้เหมือนคนติดยาเนี่ยพออยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวมันทนไม่ไหวแต่ถ้าไปอยู่ไกลๆมันก็ต้องทนเพราะไม่มีให้มันเสกนะพวกที่ไปอยู่ในปา่าอย่าไปคิดว่าเขาสุขนะเขาก็ต้องสู้กับความ ความหิวโหยความอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นล่นแต่เขาเคาขาใช้ความอดทนเขาใช้ความพยายามต่อสู้กับความหิวโหยที่อยากจะกลับไปเสกความสุขแบบเดิมอยู่แล้วก็พยายามเพียงสร้างความสุขแบบใหม่ให้เกิดขึ้นพอเขาเริ่มได้รับความสุขแบบใหม่แล้วทีนี้ความหิวโหยก็จะเบาลงไปน้อยลงไป แล้วต่อไปความหิวโหยอยากจะกลับไปหาความสุขแบบเดิมจะหายไปเพราะเขาสามารถหาความสุขแบบใหม่ได้แต่ก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่ามันยังเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ไม่สามารถทำให้เป็นความสุขแบบตลอดเวลาได้24ชั่วโมงมันจะสุขก็เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเวลานั่งสมาธิทาจิตให้สงบ ก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์เพราะยังมีร่างกายที่ยังต้องมาคอยกังวลอยู่เดี๋ยวต้องคิดว่าต่อไปกูเจ็บจะทำยังไงเวลาไปบินทบาทไมไม่มีข้าวกินจะทำยังไงเวลามีฝนฟ้าพายุอะไรมาจะทำยังไงเวลามีภัยอะไรต่างๆมามันก็อดคิดไม่ได้ พอคิดแล้วมันก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิหยุดคิดพอหยุดคิดปั๊บความภัยต่างๆมันก็ไม่เข้ามาในใจมันมีอยู่เพียงแต่ว่าใจเราไม่ไปดึงมันเข้ามาด้วยความคิดของเรานั่นเองเราดึงความทุกข์เข้ามาด้วยความคิดของเราถ้าเราไม่คิดถึงมันมันไม่เข้ามาหรอกมันก็อยู่ข้างนอกใจ แต่พอเราไปคิดปั๊บมันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจสมัยที่พระเจ้าทรงบําเพ็ญก็รู้จากวิธีหาแบบชั่วขา่าวเวลาไหนไม่สบายใจก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวก็วามไม่สบายใจก็จะหายไปเดี๋ยวพอออกมาเดี๋ยวก็ไม่สบายใจก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำให้ไม่สบายใจเวลาที่ไม่ดีอยู่ในสมาธิ พระพุทธเจ้าก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครให้คําตอบได้จนในที่สุดเลยก็ต้องไปหาเองไปค้นคว้าหาเองไปเปรียบเทียบว่าเวลาอยู่ในสมาธิอะไรหายไปบ้างเวลาออกมาแล้วอะไรกลับมาบ้างท่านก็พบว่าเวลาอยู่ในสมาธิความคิดหายไปความอยากต่างๆหายไปเวลาจิตสงบไม่อยากไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยาก ไม่กังวลไม่ห่วงใยร่างกายก็เลยรู้ว่าพอออกมาปั๊บอยากให้ร่างกายดีแล้วอยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากให้ร่างกายแข็งแรงพอไปคิดว่ามันจะต้องเจ็บต้องแก่ก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็เลยคิดว่าอ๋อเนี่ยมันตัวที่ทําให้ใจไม่สบายก็คือความอยากต่างๆนี่เองนั้นพระองค์ก็บอกว่าต้องหยุดความอยากให้ได้ วิธีจะหยุดความอยากก็ต้องดูความจริงว่าการทำตามความอยากแล้วจะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีอยากไม่แก่แล้วมันจะทำให้เราไม่แก่หรือเปล่ามันก็แก่อยู่ดีอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่ามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายแล้วมันไม่ตายหรือเปล่ามันก็ตายอยู่ดีเราไปอยากมนทำไมอยากให้มันไปทุกข์ไปปเป่าทำไม ก็ปล่อยให้มันแก่ไปเลยปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปอย่าไปอยากเท่านั้นเองความทุกข์มันก็ไม่มีเห็นไหมคนที่ไม่ทุกข์กับความแก่เขาไม่สนใจผมยังหอกหนังจะเหี่ยวเขาไม่ต้องไปทําสัญญกรรมไม่ต้องไปคอ ย, ยอมผ้าย่อมผ้ายอมผมอะไรต่างๆให้เสียเวลาเขาก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ไม่ยอมแก่เนี้มันทุกข์เลยเพราะอยากไม่แก่ยังอยากเป็นหนุ่มอยากเป็นสาวอยู่นั่นะ ต้องคอยยอมผมอยู่เรื่อยๆต้องพอตรงไหนหนังมันเหี่ยวหนังยน่นก็ต้องไปหาหมอสัญญกรรมวยมาตกแต่งให้หน่อยอ่ามีคือการไม่ยอมแก่เพราะเวลาเจอความแก่แล้วทุกข์ไม่ชอบความแก่เอีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมความแก่ยอมอยู่กับความแก่ไปแล้วจะไม่ทุกข์ ความแก่ไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความอยากไม่แก่ทำให้เราทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ทำให้เราทุกข์เชื่อไหมมันก็เจ็บแค่ร่างกายแต่มันจะไม่ทุกข์ที่ใจถ้าเรายอมยอมเจ็บมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปความตายก็แบบเดียวกันความตายที่ทุกข์เพราะไม่อยากตายกันแต่ ไม่อยากตายแล้วทำให้มันไม่ตายหรือเปล่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้ทำให้ไม่ตายมันก็ต้องตายอยู่ดีเราไปตายแบบทุกข bon> ์ทำไมตายแบบไม่ทุกข์ไม่ดีกว่านะตายแบบไม่ทุกข์ก็ยอมตายก็ยอมให้มันตายไปยอมหยุดเย็นยอมยอมตายยอมแก่ยอมเจ็บจะได้หยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้ พอหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความทุกข์ก็หายไปความสุขก็เข้ามาแทนที่จิตมันมีอยู่สองอย่างมันไม่ทุกข์ก็สุขแต่จิตพวกเราไม่เคยเจอสุขเลยเชื่อไหมมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันอยากตลอดเวลาคนที่จะเจอความสุขก็คนที่เข้าฌานได้เท่านั้นคนที่เข้าสมาธิได้ถึงจะเจอความสุขเพราะตอนนั้นจิตมันหยุดปรุงแต่งมันหยุดสร้างความอยากขึ้นมา คนที่ไม่ได้นั่งสมาธิเข้าฌานไม่ได้นี่ไม่เคยเจอความสุขของจิตเลยเจอความทุกข์ของจิตตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเชื่อไหมเนี่พวกเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ใจตลอดเวลาไม่เคยเจอความสุขใจเลยถ้าไม่นั่งสมาธิถ้าเข้าฌานไม่ได้ถ้าจิตไม่รวมเป็นสมาธิไม่มีวันที่จะเห็นความสุขของใจนี่แหละทีนี้นอกจากการที่จะ มีความสุขจากการเข้าสมาธิยังมีอีกทางหนึ่งคือความสุขของใจคือความไม่ทุกข์ของใจเพียงแต่หยุดความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมา mm. ก็หยุดมันให้ได้ทันเองอย่าไปทําตามมันสู้กับมันเดทนฝืนมันไปเดี๋ยวมันในที่สุดมันก็ยอมแพ้ เ, เหมือนการชักกระเยาะกันะ มันพยายามดึงไปเราก็พยายามดึงกลับถ้าใครมีกําลังมากกว่าฝ่ายที่มีกําลังน้อยกว่าเดี๋ยวก็ยอมแพ้ถ้ามันอยากแล้วมันเราบอกไม่อยากยอมตายยอมเจ็บยอมแก่มันจะมาทํายังไงเราก็ยอมอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องยอมแพ้เรามันก็จะหยุดมารบกวนใจมันจะไม่มาอยากให้เราไม่แก่มันจะไม่มาอยากให้เราไม่เจ็บไม่ตายต่อไปแล้วตอนนั้นใจจะเย็นใจจะสบาย เหมือนกับเข้าไปในสมาธิเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเนี่ยนี่แหละรีกว่าความสงบที่เกิดจากปัญญาปัญญาใช้ปัญญาสอนใจให้งับความอยากให้ฝืนความอยากเพราะว่าทำตามความอยากมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงมันก็ไม่ได้ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่กลับทำให้ใจทุกข์สู้ไม่ทำตามความอยากดีกว่าฝืนมันดีกว่าหยุดความอยากดีกว่า พอไม่ทำตามความอยากมันอยากจะให้ไปทำสัญญกรรมก็ไม่ไปอยากให้ไปยอมผมก็ไม่ไปไห้มันงอกไปเดียวต่อไปจะไม่ทุกข์กับผมงอกจะไม่ทุกข์กับหนังหิวหนังยน่นอันนี้แหละคือวิธีกาจัดความทุกข์วิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขมีความสงบนี่แหละเป็นอีกทางหนึ่งของการหาความสุข ที่เป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ธรรมะหรือใช้พลังจิตเองมาหยุดความอยากมาทาจิตให้สงบเท่านั้นเองแล้วก็จะเกิดความสุขพอใชพอ้พอใช้เป็นแล้ทีนี้ก็มีความสุขได้ตลอดเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหามีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่มีปัญหา มีของให้ซื้อหรือไม่มีก็ไม่มีปัญหาว่าเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราใช้วิธีการทำใจให้สงบเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองพอทำใจให้สงบเป็นต่อไปเราก็จะทำให้มันสงบได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะสุขตลอดเวลาอย่างที่พระเจ้าทรงมีเรียกว่าป a มัง n สุขถังบรลมมาสุขบรรมมาสุขก็เกิดจาก ใจที่ได้ระ ง, งับความอยากต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่านิบานังปลมังสุขขังนิพานี้คือจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องมีความทุกข์กันอีกต่อไป ไม่ต้องกลับมามีร่างกายมาร้องห่มร้องไห้เหมือนอย่างที่เราเคยร้องห่มร้องไห้กันมาและจะต้องร้องต่อไปถ้าเราไม่มาหาวิธีหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หากันคือให้มาฝึกจิตมาทำจิตให้สงบให้ได้้ดยการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาสนับสนุน้วยการรักษาศีลด้วยการทาบุญทาทานแล้ต่อไป เราจะได้พบกับความสุขของใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับอะไรอีกต่อไปเพราะเราจะไม่มีอะไรไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีใครทั้งนั้นไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรถเมื่อไม่มีก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนยาเสพติด เวลาไม่มีแล้วมันจะทุกข์เวลาได้เวลาติดแล้วเวลาไม่มีมันจะทุกข์แต่ถ้าเราเราไม่ติดมันนี้เวลาไม่มีเราไม่ทุกข์งั้นเราอย่าไปติดมันเราอย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขมาหาความสงบเป็นเครื่องมือทำใจและให้เรามีความสุขดีกว่านี่แหละคือปัญหาของพวกเราและวิธีแก้ปัญหาขอให้ลองเอาไปพิจารากันดู ว่าอยากจะแก้กันแบบนี้หรือไม่อันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับเราได้นอกจากตัวเราเองต้องบังคับตัวเราเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาฤวาาปูรปาปริปเรนติสากำลัง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 ภราสุยาธาสพิตโยวิวาจันตุสัพโรโววินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโภพวะอภิวาทนสีดิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมรมวาทานติ อายุวันโนสุขังภาลางอันนี้มนต์นั่งตามสบายมีพระกี่รูปจำมันษารวมกันจำมันษาจริงๆสิบเอ็ดครับแต่ตอนนี้มีสิบสองเดี๋ยวจะลาสิบขาวอกหรือสิบเ็ดรูปเลยเป็นประมาณนี้ทุกปีแล้วว่าประมาณนี้ เรวมีกุเตพอไหมธรรมดามีอยู่ได้กี่รูปอ๋อยี่อืมก็ไม่เต็มนะเคยมีอยู่ปีนึงก็เต็มยี่สิบแล้วมีกิจกรรมอะไรในช่วงเข้าพรรษาบินตบาทเช้าธรรมวชเช้าร่วมกันบินตาบาทฉันร่วมกันฉันในบาททุดองควัตน แล้วก็มีการเรียนรึเปล่าก็มีมีเรียนนักธรรมมีสอนนักธรรมจริงอ่าแต่ไม่แค่เป็นแนวอ่าสอบอ่าพราะูตีหลวงพ่อนั่นก็จะเน้เ่ในเรื่องการศึกษาอืมอืมเราต้องศึกษาก่อนแล้วปฏิบัติอ่าไม่ศึกษาเดี๋ยวก็ปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกผลก็ผิดผิ ด, ผดถูกถูกได้อืม ต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าต้องปฏิบัติอะไรก็ศึกษาแล้วเย็นก็ปัดกวาดดื่มน้ำปานะแล้วก็ทำวัดข้ามตักาสามทุ่มทำวัดนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมก็ถูกต้องแล้วนี่ก็คือแนวทางของการปฏิบัติ ม, มีอะไรอยากจะถามไหม ก็นี่ยอย่างที่เราทำกันนี่ก็เป็นแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านนำพามาแต่อาจจะต่างกันบ้างบางอย่างถ้าอยู่อย่างสำนักของหลวงตานี้ท่านไม่ท่านไม่นิยมให้มาร่วมกันทำวัดไหว้พระสวดมนต์ท่านเน้นการปีกวิเวก แต่ว่าได้ประโยชน์มากกว่าการที่จะมารวมกันเพราะการรวมกันมันก็เป็นการขาดตอนของการปีกวิเวกเพราะต้องมารวมกันกำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิกำลังเข้าด้าเข้าเข็มเอาเวลาถึงเวลาต้องมาทำวัดเย็นทำอะไรกันเห็นท่านจะเน้นให้ปฏิบัติ ต, ตามลำพังกันมากกว่าแต่ท่านต้องคอยเดินตรวจวัดอยู่เรื่อยว่าปฏิบัติหรือเปล่า เพราะว่าถ้าไม่คอยเดินแล้วแทนที่จะปฏิบัติอาจจะไปจับกลุ่มคุยกันอบบเดิมน้ําชากาแฟกันหลวงตานี่ท่านจะคอยเดินตรวจวัดอยู่เรื่อยๆตอนค่ําคืนหรือว่าพระเนรนี้ปฏิบัติกันเรียกว่าจับกลุ่มกันอันนี้แต่ท่านเน้นเรื่อง ก, การปลีกเวกแต่นี่จะเหมาะกับพวกที่ภาวนาเป็น พวกที่อยู่คนเดียวได้ภาวนาตามลําพังได้นั่งสมาธิได้ว่ายพระสวดมนต์ตามลําพังได้พวกที่ยังเป็นเหือเรือพ่วงอยู่เป็นพวกที่ไม่มีเรือไม่มีเครื่องอยู่ในเรือต้องอาศัยเรือเรือที่มีเครื่องฉุดลากไปก็ต้องอาศัยการไปรวมกันทำวัดที่พร้อมกันในที่ศาลา เพราะถ้าอยู่คนเดียวมันจะไม่มีความเพียนพอที่จะบังคับตัวเองให้ไหว้พระสวดมนต์ให้นั่งสมาธิเองก็เลยต้องอาศัยผู้อื่นเช่นครูบาอาจารย์ดึงไปเรียกไปประชุมเรียกไปนั่งสมาธิเรียกไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันแต่สำหรับวัดป่าบ้านตานี้หลวงตาท่านจะเลือกแต่พระที่มีเครื่อง ถ้าเป็นพระเหลือพ่วงท่านจะไม่รับท่านจะให้ไปอยู่ที่อื่นท่านจะดูว่าพระนี้มีความเพียรพอที่จะปฏิบัติตามลําพังได้หรือเปล่าท่านจะรู้ว่าใครมีไม่มีเพราะคนที่ปฏิบัติตามลําพังไม่ได้มักจะต้องไปเกาะรูปนั้นรูปนี้จะต้องไปสูงสิงกับพระรูปนั้นพระรูปนี้พอท่านเห็นท่านก็จะรู้ว่าพระนี้ยังไม่มี ไม่มีความเพียรพอที่จะบังคับตัวเองให้ปฏิบัติเองได้ท่านก็บอกว่าให้ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเพราะว่าท่านนี้ท่านจะเน้นการปฏิบัติแบบปรีกวิเวกไม่ให้มารวมกันแม้แต่พาไปทาวัดนี่ท่านก็ไม่ไปนะเราอยู่บ้านตากมาแปดเก้าพรรษานี้ไม่เคยไปทาวัดกับครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยเพราะท่านวามัน มันได้ประโยชน์แล้วก็มันมันก็เสียประโยชน์มันได้ก็คือได้ธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีมีการแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์และอาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านแต่สิ่งที่เสียก็คือความวิเวกเพราะเวลาไปก็ต้องเดินทางไปกันเป็นกลุ่มแล้วเวลาเดินทางไปก็อาจจะต้องไปเห็นนู่นเห็นนี่ระหว่างทาง เราจะต้องเดินผ่านบ้านผ่านเมืองเห็นผู้เห็นคนเห็นอะไรต่างๆมันก็อาจจะมาเป็นริวร์ได้มาผลิตกรารมาฉันทะขึ้นมาได้ความดีได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พอไปทำวัดกลับมาตอนออกไปจิตยังสงบดีอยู่พอกลับมาไม่สงบแล้วสิเพราะสาญญาลมมันเกิดติดอยู่ในใจ เห็นภาพ ค, คนนั้นเห็นรูปคนนั้นเห็นเสียงคนนี้ได้ยินเสียงคนนั้นมันติดฝังอยู่ในใจนะพอกลับมาที่วัดมันไม่ยอมพุทธโทแลเนียมันไม่ยอมดูลมนะมันจะไปคิดถึงไอ้รูปเสียงที่ได้ไปเห็นได้ยินมาเนี่ยหลวงตาท่านเลยไม่นิยมให้ผ้าออกจากวัดแม้แต่กิจนิมนต์นี้ท่านก็ไม่ให้ไปที่วัดป่ามันตานี่ท่านจะไมถ่ถ้าท่านจะรับนิมนต์จริงๆท่านจะไปองค์เดียว แต่ท่านจะไม่ให้พระไปเพราะท่านเห็นเห็นภัยที่เกิดจากการออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วมันจะไปเห็นแสงสีเสียงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วมันจะทำให้เกิดสัญญาอารมณ์เกิดการมัฉันทะขึ้นมาเกิดนิวรณ์ขึ้นมาทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญภาวนาการทำจิตให้สงบ อังั้นตอนที่ไปอยู่วัดป่าบ้านตานี่เลยไม่ต้องไปรับกิจในมณไม่ไปไหนไม่ไปทำวัดกับครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งสมัยนั้นมีครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดหลวงตาท่านไปองค์เดียวท่านไปทําวัดแทนพระทั้งวัดเนี่ยท่านไปกราบหลวงปูข่ขาวหลวงปู่ฟ้านเนี่ยครูบาอาจารย์ต่า ง, างๆที่ท่านเคารพนับถือท่านจะไปเองแต่ท่านไม่พาพระเนนไปด้วย เพราะว่าธรรมะก็ท่านก็มีเหมือนกันไปหาคุูบาจารย์ท่านก็พูดธรรมะแบบที่หลวงตาท่านจะพูดอยู่แล้วไปก็คิดว่าจะได้ธรรมะมันก็ไม่ได้เพราะหลวงตาให้ธรรมะอยู่ในวัดอยู่แล้วงั้นจะเสียก็เสียความวิเวกไปเสียความสงบไปออกไปแล้วจิตใจกลับมาฟุ้สร้างได้กว่าจะทำให้มันสงบนี่อาจจะเสียเวลาไปหลายวันก็ได้ กาจะสงบกลับมาเหมือนตอนก่อนที่ออกไปข้างนอกนี่คืออาจจะต่างกันตรงนี้เราเลยไม่เคยลงทำวดัดมีแต่เดินจงกมนั่งสมาธิถ้าอยากจะสวดมนต์ก็สวดอยู่ในกุฏิคนเดียวไปการสวดก็เป็นการภาวนานี่เองเป็นการฝึกสติว่าเวลาเราสวดมนต์เราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวเราอดคิดไม่ได้เคยคิดถึงใครคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะคิดไปพอคิดแล้วมันก็จะทําให้จิตฟุ้งซ่านจิตเกิดกามารมณ์ขึ้นมาแล้วจะทําให้ภาพร้อนใจร้อนขึ้นมาแล้วอยากจะสึกกันอันนี้ยคือปัญหาของพระที่สึกกันก็เพราะว่าทนกับความอยากทนกับความอยากในกามัฉันทะไม่ได้ก็เลยต้อง พยายามหามาตรการคอยกำจัดเนี่ยวันบวชนี้ครูบาพระอุปชาท่านก็ต้องสอนกรรมฐานห้าแล้วกรรมฐานห้าคืออาการห้าอย่างของร่างกายเพื่อให้าพาบวชใหม่นี้ไปศึกษาเพราะถ้าได้ศึกษาอาการของร่างกายแล้วจะเห็นความไม่สวยงามของร่างกา ย, ยแล้วจะทำให้การอารมณ์ไม่เกิด จะทําให้ไม่ร้อนใจไม่ผ้าไม่ร้อนจะทําให้อยู่ในผ้ากาวสาวพัดได้แต่ถ้าไม่พิจารณาร่างกายที่ท่านสอนเพียงห้าอาการก็เพราะว่าเป็นพิธีเท่านั้นเองความจริงท่านต้องการให้เราเรียนทั้งสามสิบสองอาการเลยเห็นทั้งสามสิบสองอาการอายังโคเมกายยูกายของเรานี่แหละเนี่ยค่อยสวยกันหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ศรีรษะลงไปตั้งแต่เท้าขึ้นมา มีผมมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เราศึกษาความจริงของร่างกายให้เห็นมันครบอย่าเห็นแต่เฉพาะเพียงภายนอก พอเห็นภายนอกนี่มันจะเกิดความหลงเกิดความล้าเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันจะมันไม่มี ก, การอารมณ์มันเกิดไม่ได้ถ้าเห็นลาไส้ของคนเห็นลาไส้ของนางงามจักรวาลเนยมันจะเป็นนางงามขนาดไหนมันก็มันก็ลําไส้ดีๆนี่เห็นโครงกระดูกก็เห็นว่ามันก็เป็นโครงกระดูกทั้งนั้นอ่า น, นี่คือ สิ่งที่พระบวชม่ที่ต้องเรียนกันเนี่ยบวชท่านถึงต้องสอนตั้งแต่วันบวชเลยตั้งแต่ที่อยู่ในโบสถ์อุปชารูปไหนบวชพระโ ด, ดยไม่สอนกรรมฐานห้านี้ท่านจะถูกปรับอาบัตถถูกลงโทษถูกกล่าวโทษว่าไม่ทาหน้าที่ของอุปชาที่สมบูรณ์เป็นอุปชานี่ต้องสอนกรรมฐานห้าให้กับผู้มาบวชเพราะเป็นเหมือนเครื่องมือ ที่จะรักษาผ้าเหลืองไว้จะไม่มีใครมาป้นผ้าเหลืองไปได้ถ้ามีกรรมฐานาถ้ามีกรรมฐานมีอาการสามสิบสองถ้าเห็นอาการสาสิบสองของร่างกายต่อให้ใครสวยงามขนาดไหนพอพิจารณาอาการสามสิบสองปับความสวยงามที่อยู่ข้างนอกมันจะหายไปความรักความไข่ก็จะหายไปแล้วมันก็จะทําให้ใจเย็นผ้าเย็น ไม่คิดที่อยากจะไปสึกแต่ถ้าไม่มีกรรมฐานไม่พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไปบินทบาทเดี๋ยวไปเจอคนนั้นคนนี้เห็นคนนั้นคนนี้เดี๋ยวมันก็เอามาคิดมาเออยิ่งสมัยนี้ทุกคนก็อยากจะแต่งสวยๆงามๆล่อตาร่อดใจกันเ อ, อพอเห็นแล้วนี้ความอยากที่มันเคยฝังอยู่ในใจมันจะพุดออกมาทันทีเนี่ย้เราจึงต้องมาสร้างเครื่องมือเบรคความอยากะ เครื่องมือที่จะเบกความอยากของพระของนักบวชก็คือเนี่ยการพิจารณาร่างกายพิจารณาการสามสิบสองหรือถ้าอยากจะให้มันดูเดือดกันนั้นก็พิจารณาซากศพไปเลยดูว่าร่างกายของคนทุกคนไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นซากศพตอนนี้ก็เป็นซากศพเพียงแต่ยังหายใจได้เท่านั้นเองพอไม่หายใจแล้วก็กลายเป็นซากศพที่จะเน่าเปื่อยต่อไป พิจารณาซากศพสิบชนิดด้วยกันสมัยพุทธกาลเวลาคนตายเขาไม่เอาไปเผาไม่เอาไปฝังเขาเอาไปทิ้งในป่าให้มันเนา่าให้มันเนา่าให้มันเปิดให้มันผุมันพังไปเวลาพาไปเยี่ยมป่าช้าในสมัยก่อนถึงจะเห็นซากศพสิบชนิดด้วยกันเห็นศพตายใหม่เห็นศพที่เน่าพองขึ้นมาอืดขึ้นอืดพองขึ้นมาเห็นศพที่มีหนอนมีอะไรมา มามามามาใช้ตามร่างกายเห็นศพที่ถูกถูกสัตว์กัดเห็นศพที่กระจายไปเป็นชิ้นเป็นส่วนเห็นศพที่ถูกตัดบ้างตัดเป็นท่อนๆเนีน่ยกระลั่งเห็นศพที่แห้งกลายเป็นกระดูกไปเนี่ยนีคือการพิจารณาร่างกายเพื่อรักษาภาพเหลืองรักษาใจให้สงบ ถ้าไม่พิจรารณาอย่างนี้เวลาถึงเวลาไปเห็นของสวยๆเงาๆแล้วมันจะไม่สามารถที่จะเอากรรมฐานนี้มาช่วยได้เพราะเราไม่ฝึกไว้ก่อนเราไม่ซ้อมไว้ก่อนถ้าเป็นเหมือนนักมวยก็ไม่ช้อมชกไว้ก่อนพอขึ้นเวทีเจอคู่ต่อสู้เขาเขาเขาต่อยเราเราก็ไม่รู้จักวิธีต่อยกลับเนี่ยเราต้องเป็นเหมือนนักมวยต้องซ้อมซ้อมต่อยกลับก่อน เวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมานี้ต้องรีบฟักเอาอาการสารทสองฟักซากศพขึ้นมาดูทันทีให้มันโผล่ขึ้นมาในใจพอโผล่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยกามอารมณ์ ม, มันก็จะระ ง, งับระ ง, งับไปทันทีความรักความใค่ายมันก็จะระ ง, งับไปทันทีนเอย่ยงนี่คือความสําคัญว่าทําไมเวลาบวชถึงต้องมีการสอนกรรมฐานห้า กรรมฐานหน้านี่เป็นเพียงคล้ายๆเป็นส่วนย่อของกรรมฐานสามสิบสองเวลาบวชให้นักบวชคนบวชท่องทั้งสามสิบสองอาการมันจําไม่ได้เขาก็เลยเอาแค่ห้าอาการก่อนเนีย้ยเวลาบวชต้องขานหน้ากันเนี่ยเอซาห้างพันเตแล้วก็ต้องไปท่องสี่สิบเออแล้วก็ต้องมาท่องกรรมฐานห้าถ้าให้ไปท่องสามสิบสองอาการนี้มันจะมากเกินไปก็เลยเอาแค่ห้าก่อนแล้วเวลาบวช เสร็จแล้วก็เอาไปขยายเป็นสามสิบสองต่อไปให้มันพิจารณาอยู่เนืองเนืองทุกเวลานาทีอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องสวยๆงามๆต่างๆแล้วใจจะไม่ร้อนใจจะเย็นใจจะสงบจะมีความสุขกับการอยู่ในภาคเหลืองจะได้สามารถที่จะได้ฝึกปฏิบัติให้เข้าสู่ทาขั้นสูงต่อไปได้นี่คือ สิ่งที่นักบวชต้องพยายามปฏิบัติกันก็คือต้องมีอาวุธไว้รักษาใจกรรมเขาเรียกว่าอ่ากรรมฐานอารักขาอารักขากรรมฐานมีอันหนึ่งก็คือการพิจารณาอาสุภะการจริงมันมีอยู่สี่อันด้วยกันอารักขากรรมฐานการรักษาใจให้สงบเนี่ยที่มีเหตุที่จะมาทําให้ไม่สงบเกิดหนึ่ง การเสริมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีเราบวชตอนใหม่ๆเราบวชมีศรัทธาพอมาบวชแล้วมันไม่เป็นไปดังที่เราคิดเนี่ยเราก็จะเสริมศรัทธาขึ้นมาก็ให้เราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่เป็นพระที่แท้จริงผู้ที่เราสามารถยึดถือเป็นแบบฉบับในการดําเนินการปฏิบัติของเราให้คิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ แล้วมันจะทำให้เราไม่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เสื่อมศรัทธาในการบวชของเราแต่ถ้าเราไปเห็นพระรูปอื่นหรือเห็นไปเห็นอะไรอย่างอื่นที่มันทำให้เราเสื่อมศรัทธาขึ้นมาเราก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยู่ดีกว่าสึกดีกว่าอย่างนี้แต่ให้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหลักที่แท้จริงของศาสนา ที่เป็นพระที่จริงที่แท้จริงของศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นพระที่แท้จริงเพราะเรายังเป็นพระสมมุติอยู่สมมุติสงฆ์อยู่พวกเรายังมีกิเลสตัณหาเต็มหัวใจยังไม่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายนั้นเราดูพวกเราเป็นตัวอย่างไม่ได้ถ้าดูแล้วมันจะทําให้เราเสื่อมศรัทธาขึ้นมา อย่าไปมองพระด้วยกันวม่ทำไมพระรูปนี้ปฏิบัติไม่ดีทำไมพระรูปนี้ทำตัวอย่างนั้นทำตัวอย่างนี้ถ้าเราไม่มองอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเสื่อมศรัทธาให้ไปมองที่พระพุทธพระธ ร, รมพระสงฆ์มองที่พระพุทธเจ้าหรือมองที่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมองที่พระอริยสงฆ์สาวกศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะทําให้เราไม่เสื่อมศรัทธาใน การบวชของเราเนีอันนี้เรียกว่าอารักขากรรมฐานข้อที่หนึ่งศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเกิดการสอนสั่นคลอนนี้ต้องเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนต้องมองพระพุทธเจ้ามองพระอริยสงฆ์สาวกต้องศึกษาธรรมะคาสัง่งคําสอนแล้วเราจะได้ไม่เสื่อมศรัทธาอันที่สองก็คือความโกรธเนี่ยปัญหาบางทีอยู่ร่วมกันก็จะโกรธกัน อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันอาจจะทําอะไรขัดกันแล้วก็จะโกรธขึ้นมาพอโกรธแล้วมันก็จะร้อนร้อนแล้วมันก็จะไม่อยากจะอยู่ก็ต้องหัดจเจริญแผ่เมตตาต้องมีการความแผ่เมตตาต่อกันอยู่ร่วมกันต้องมีความเมตตาต่อกันต้องให้อภัยกันคิดว่าเราเป็นเหมือนลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างอาจจะพูดพังเพลไปบ้าง เพราะเรายังไม่เป็นพระที่สมบูรณ์ด้วยสติบางทีก็เกิดความคลึกขนองอาจจะพูดแย่กันล้อกันไปเล่นกันมาเดี๋ยวก็ไปทําให้คนเขาสะเตือนใจขึ้นมาเขาก็อาจจะโกรธเราแต่ถ้าคิดว่าเอเป็นเป็ น, เ, ปนเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างสงบอยู่ร่วมกันอย่างรักกันเราก็ต้องมองกันว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง อย่าอย่าไปถือโทกษกดเครืองกันอย่าไปอาฆาตพยาบาทกันเอาเวลาโหนตุอย่าจองเวรจองกรรมกันอภัยปัจหาโหนตุวอย่าเบียดเบียนกันอย่าเอาลัดเอาเปรียบกันเอันดีคาโหนตุอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันแล้กันอสุขีอาตานางเปริหารันตุให้ความสุขต่อกันนี่ก็คือกรรมฐานอาราักฐากรรมฐานองค์ที่สอง คือการให้ความเมตตาต่อกันแล้วจะทำให้ไม่มีความโกรธเคืองไม่มีการอาฆาตพยาบาทจะอยู่กันอย่างมีความรักสามัคคีกันพร้อมเพียงดูแลกันช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพอันที่สามก็คือเนื้อสุภกรรมฐานเาให้ฝึกกัลากรรมฐานอยู่เรื่อยๆแล้วการอารมณ์จะไม่เกิด อันที่สี่ก็คือมอรณานุสติบางทีเราอาจจะเกิดความประมาทลืมไปว่าเราจะต้องตายเราอาจจะเกิดความคลึกกระนองอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ควรจะทำแทนที่จะมาบำเพ็ญกิจของเราอาจจะไปทำกิจอย่างอื่นก็ให้มาคิดถึงความตาย อ, าอยู่เรื่อ ย, เ ร, อยเราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบปฏิบัติให หลุดพ้นก่อนที่จะตายเพราะถ้ายังไม่หลุดพ้นเดี๋ยวจะต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกถ้าไปทํากิจอย่างอื่นไปสร้างเจดีไปสร้างโบสถ์อะไรทํานองนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่มันไม่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นการสร้างโบสถ์สร้างเจดีนี้เหมาะกับผู้ที่เขาหลุดพ้นแล้วเขาเสร็จงานของเขาแล้วแล้วค่อยไปทํากิจอย่างอื่นอุธเจ้า บ, บอก จงยังประโยชน์ตนก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปอถ้าเรายังไม่หลุดพ้นนี้เราต้องมาขวนขวายมาปฏิบัติธรรมของเราก่อนให้เราได้บรรลุธรรมก่อนให้ได้หลุดพน้นก่อนวิธีที่จะทำให้เราไม่เกียจคร้าไม่หลงทางก็ให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนี่คือวิธีให้พระพุทธเจ้าบอกวิธีที่จะทาให้เราไม่ประมาทก็ต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าถามพระอนนท์ว่าอนนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งอานนท์บอกว่าวันละสี่ห้าครั้งเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่วิธีที่จะ วิธีที่เธอจะไม่ประมาทก็คือต้องทุกครั้งที่เธอหายใจเข้าเธอต้องบอกว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายทุกครั้งที่เธอหายใจออกเราไม่หายใจเข้าก็ตายเนี่ยความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกของเรานี่เองแต่เราลืมมันเราก็เลยประมาทกันไม่มาทากิจที่เราควรจะกระทากัน ตอนนี้เรามีกิจหน้าที่อะไรก็ทํากิจไปตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก็เรียนไปเพราะเรายังไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องทําไปต้องลองทาาํวาวัดช้าวัดเย็นเพื่อฝึกสติฝึกสมาธิก็ทําไปอันนี้อย่าขาดอย่าขาดภารกิจของเราทําไปเพราะภารกิจต่างๆนี้จะเสริมส่งให้การปฏิบัติของเราจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพื่อกําจัดความเกลียดค้านต่างๆได้น น, นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคิดพิจารณากันและสร้างมันขึ้นมาคืออารักขากรรมฐานรักษาศรัทธาด้วยการละเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำจัดความโกรธด้วยการแผ่เมตตาเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็กำจัดการมาราคะด้วยการ จเจริญอสุภกรรมฐานพิจรณาการสามสิบสองพิจาราซากศพแล้วก็กำจัดความเกียดข้านความหลงไปทากิจที่ไม่พึงกระทาให้มาทากิจที่พึงกระทาด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เลยเลยให้รู้ว่าหน้าที่ของเราฐานะที่เป็นนักบวชก็คือเพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนี้เอง สมัยพุทธกาลที่เขาบวชกันนี่เขาไม่ได้บวชเพื่อมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดเอมามาเป็นเจ้ า, าวาฬเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนอะไรทั้งนั้นเขาบวชเพื่อมรักผลผนิพพานเขาหลุดบวชเพื่อบรรลุปเป็นโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีเป็นอหรหันต์สมัยพุทธกาลนี้จะมีพระอริยบุคคลเต็มไปหมดนแต่สมัยนี้มันแทบจะหาไม่ได้ก็เพราะหลงทางกันะ ลืมหน้าที่ของการเป็นนักบวชว่ามาบวชเพื่ออะไรกลับมาคิดว่ามาบวชเพื่อมาสร้างวัดมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันสร้างพระพุทธรูปกันเอก็เลยไม่ค่อยมีพระอริยะให้เราได้พบได้เห็นกัน <ph az forward> ไปดูศึกษาดูพระอริยะแต่ละองท่านท่านสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันหรือเปล่าหลวงปู่มั่นท่านสร้างเจดีย์หรือเปล่า chant, <ø ye> หลวงตามหมาบัวท่านสร้างเจดีย์หรือเปล่าหลวงปู่ขาวท่านสร้างเจดีย์หรือเปล่าไม่มีใครสร้างแล้วพระต่อนี้ ท่านสร้างแต่มรรคผลนี่ผ่านนี่ก็คือโอวาทที่เราจะฝากให้ท่านทั้งหลายได้นำมาใบเพนิสพิจณ า, าเพื่อที่จะได้รักษาเพศรักษาหน้าที่ของท่านเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร อภิวาทนาสีลิสะนิจังหุธาปจายโนจตาโรโธรร ม, มาวาัทานติอายุวันโนสุขังภาลาังง่ยายงตมะแบบสดๆร้อนๆไม่ได้เตรียมตัวพูดอาจารย์ให้ได้ขคอบคุมแล้วับโอเคนะ การกดกาตกบอกบ้องอะไรก็ขออภัยด้วยก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมนะก็ขอให้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะเอาแค่นี้ก่อนนะนะวันนี้พอดีหมดเวลาพอดีก่อนที่จะเลิกกันเดี๋ยวอยากจะให้รายงานผลของผู้ติดตามว่าวันนี้เข้ามากันกี่คน นนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยยี่สิ2สองสามร้อยสองิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังข้างบนนี้เจ็ดสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยี่สิเอ็ดครับโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป กัน